ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการตั้งนามนั้นมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก่อนที่ท่าน จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านมีการตั้งนโมตั้งนโมก็คือว่าตั้งใจตั้งตัวตั้งใจน้อมนึ ก, กลํำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านั้นเราทุกคน ต้องเทิดทูนไว้สูงสุดเรียกว่าบนเสียนเกล้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอาราหาันตาคินาศเป็นผู้ตรัสลู ด, ด้วยพระองค์เองเป็นศาสดาอาจารของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายแหละ นโมนี้จึงเป็นที่งอมนึ ก, กลําลึกถึงคนของกระองค์เมื่อเราเข้าใจว่าพุทธโธนโมเป็นการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตั้งใจฟังโดยเขารลบ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 เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงน้อมนึกล้ำลึกเอานะโมหรือว่าพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจอันพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้มี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 ยังเพื่อแผ่มาถึงพวกเราทั้งหลายนานมาสองพันห้าร้อยยี่สิบหกปีแล้วพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดอยู่สี่สิบห้าพันสาสี่สิบห้าปีนั้นรวมแล้วเรียกว่าพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระประมัติ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 เล่าว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นพุทธสาวกในขั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีเสกขมานาท่านจดจำธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้านี่ได้มากกว่าพวกเราทั้งหลายสมัยก่อนโน้นยังไม่มีอักษรตัวหนังสือการขีดเขียนไม่มีท่านก็จำเอาไว้ไม่ต้องอ่านหนังสือเรียกว่าจำไว้ยางว่า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 คุณพระสงค์ไม่มีประมาทเรียกว่ามากมายการที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ตั้งจิตเจตนามาเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสกระจองตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาท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 ความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาติโลคาแล้วผลสุดท้ายหนีไม่พ้นซึ่งความตายในโลกเหล่านี้มันเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องสุขไม่ใช่โลกนี้สบายถ้าหากว่ามนุษย์สโลกเทวะโลกพมมาโลกเป็นความสุขสบาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็คงอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงหาทางออกทางออกจากทุกขนั้นเรียว่าทางภาวานาทางปฏิบัติบูบชา ต้องรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะมีทางออกคือถ้าเราเพียงแต่ว่าฟังอย่างเดียวไม่ทำไม่ภาวนาภาวนาอย่างเดียวไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีทางออกทางออกคือจิตต้องสงบ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 ได้แกเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจนังเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมา <c oughs> เกสาเิ่งเหล่านี้แหละจะต้องเอามาพินิตพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไร ท่านให้กำหนดพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนี้ไม่ใช่เป็นของสวยของงามเป็นอสุภกรรมฐานทุกๆุกคนเหมือนกันแล้วก้อนอสุภกรรมฐานนี้ก็รอเลี้ยงรักษาอยู่ด้วยสิ่งปฏิกูล ที่เราบริโภคอาหารทุกมือ้อทุกวันไม่เลอะขาดก็คือร่างกายของเราทุกคนมันก้อนอสุภกรรมาฐานไม่ว่าจะเอาผ้าผ่อนท่อนสบายมานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายที่มาถูกต้องร่างกายของเราแล้วก็มีแต่ เปื่อนเป๊ะเละเทะเหม็นสาบเหม็นข่าวมีเหือมีใครติดนั่นก็คือแสดงออกภายนอกให้เราทุกคนตามรู้เห็นว่ารู ป, ประขันร่างกายของเหล่านี้เป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยปุโพโลโหิต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 โรประคันนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดถ้าคนที่เคยไปดูเมื่อคนที่เถาตายไปใหม่ๆพอตายแล้วกินของคนตายก็จะเป็นกลิ่นอีกชนิดหนึ่งทรงกลิ่นฟุ้งออกมา <c oughs> แสดงว่าโรคประคันร่างกายนี้เป็นของ ปฏิโกลจริงภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถึงกันนั้นถ้าคนตายแล้วไม่ว่าพระเนนหรือญาติโยมเขาก็ใส่เหีบใส่หอประดับประดา ด, ด้วยลวดลายต่างๆยังมีดอกไม้ของหอมถูกเทียนมาจุดถึงจะจุดอย่างไรก็ต่าง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 คนที่เกิดมาเมื่อตายก็ถมแผ่นดินคนจะมีสมบัติพัฒสถานอะไรแผ่นดินเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนกุฏิวิหารผลที่สุดก็ถมแผ่นดินลองโซสภาพแผ่นดินจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ในจิตใจของเราต้องตามกําหนดให้รู้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 หรือมรณะกรรมฐานในใจให้ได้ทุกเวลายังดวงจิตดวงใจนี่แหละให้มีความสงบตั้งมัน่นโยในธรรมะปฏิบัติไม่ให้นอกจากธรรมะปฏิบัติดูร่างกายสังขารของเราเอง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 จึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณากำหนดให้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนี้มาลู้เห็นเป็นจริงอยู่ภายในหรือที่ท่านว่าพุทโธพุทโธพุทธะ ดวงพุทธะจริงๆพุทธะจริงๆก็ได้แจเจิตผู้รู้นี้เองพุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าก็มีจิตใจเหมือนพวกเราพุทธะพุทโธของพระอริยสงฆ์สาวกก็มีจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าก็ตาม ท่านเมความเพียรความหมั่นความขยันในการบริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐมานอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปท่านระ ง, งับความโกรธความโลภความหลงได้ด้วยการภาวนาในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายใน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 ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่เมื่อมาถึงวันวิสาขบูชาเป็นวันภาวนาใต้ต้นไมโพพระองค์นั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมอนนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่พูดแค่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็หยุดนิ่งไป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 มันเย็นสบายลงไปพุทธโธอยู่ที่นี่ทมโมก็อยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีธรรมมากบำเพ็ญที่นี้ที่ดวงจิตดวงใจ่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสลูนีนับว่าเป็นเวลาอันยาวนาน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 พระองค์รักษาบำเพ็ญศีลบรารมีรักษาศีนห้าศีนแปดสินสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดตามการเวลาเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีนแล้วก็ภาวนาหรือว่าเนคข ม, มะบรารมีเว้นจากกิเลสกามวัตถุกรรม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 เชีสอนจิตใจของตนของตนให้เกิดความฉลาดและให้เกิดความสามารถอาจทานสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทางหลายท่านภาวนาทำเพีิยนได้เราก็เพียนพยายามตั้งอกตั้งใจเพียนลงไปยังจิตใจให้มีปัญญา ให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมเรียว่าสอนใจของเราให้มีพัญญาไม่ให้นิ่งดูได้เมื่อจิตใจมีปัญญาจิตใจอันนี้แหละก็จะต้องบำเพ็ญวิริยะความภาคความเพียรความพยายาม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 ท่านผู้มีความเพียรทั้งหมดจึงพ้นจากทุก์ได้บุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรผู้จะแก้ไขจิตใจอันเต็มไปด้วยกิเลสลาะโทสะโมหะได้ดีที่สุดก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความเอาใจใส่ในกิจกรรมการงาน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 นักปราดราดสบันดิตในทางพุทธศาสนานี้ท่านมีความอดทนขันตีธีรัสลังกาโลขันตีความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล คนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั้นเริ่มหลักไม่ได้คือว่าสัจจกความจริงใจทำอันใดถ้าทำไม่มีสัจจกพูดอะไรไม่มีสัจจกคิดอะไรไม่มีสัจจ์ต้องให้มีสัจจกอยู่ในใจ เมื่อมีสัจจะอยู่ในใจชื่อว่าบารมีข้อสัจจะมีโยในจิตใจของเราทุกคนแล้วก็สบายใจแล้วอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าอธิษฐานใจไม่ว่าเราจะบำเพ็ญทานหลักษาสินภาวนาปฏิบัติดีปฏิบั ต, บติชอบอย่างใดที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปนั่น จะต้องอาศัยการอธิษฐานใจเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานใจไว้ถ้าจิตใจไม่สงบระงับเราจะไม่เลิกไม่เลิกล้มความเพียรมีอธิษฐานไว้จะนานเท่าไรก็ชะาเอาให้มันสงบระงับได้ทุกวันทุกคืน อันความเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาไว้ทีหลังสัจจะอธิษฐานนี้ต้องทำให้ได้จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบา ร, รมีข้อนี้สำคัญมากคำว่าเมตตามีอยู่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 เมความเมตตาบางแห่งท่านก็เมตตาหลวงเมตตาหลวงเมตตาใหญ่คําว่าเมตตาหลวงเมตตาใหญ่เมตตานี้ได้แก่ตั้งใจไว้ให้กว้างไม่ให้ใจมันแค่มนุษย์ก็ดีสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตาม ในโลกมนุษย์นี้ในเทวโลกในพร ม, มโลกหรือที่สุดก็เรียกว่าเบื้องบนแต่พวัคคภมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกลมหมืน่กก น, นจักรวาลแสนโกดจักรวาลอะนันตาจักรวาลจนนับไม่ท้วน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 บางคนเมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยึดไว้ถือไว้ตอนนั้นก็เป็นทุกข์หถ้าไม่ยึดไว้ถือไว้ทำจิตใจในดวงผู้ลู่อยู่สบายวางเฉยไว้เมื่อถึงเวลาเราแตกเราตายก็ไม่ทุกข์ไม่รอด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 เมความเยือกเย็นสาบายเป็นสุกภายในจิตใจไม่วุ่นวายภายนอกเนะคือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านศึกษาเล่าเรียนประพฤติตามปฏิบัติตามทานองคลองธทรมจนได้รู้ได้เข้าใจในอกในใจของท่านเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นก็ได้ดื่มอมะตะธรรมคือธรรมไม่ตายเข้าถึงได้แล้วไม่ตายไม่หลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมอมท่านภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบระงับ ตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติโอปนายกการทำน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาโยในจิตในใจทุกขณะทุกเวลานั่นแหละสาวกโกสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อประพฤติได้กะระทำได้อยู่สม่ำเสมอก็มีความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตปวัตตวันตราโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจยังบุตธาปจายจิโน จัตตารโรธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังธาลัง